ความรู้ความจริงที่ประเสริฐที่จะนำพาชีวิตจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่จะนำพาจิตใจไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ และนำมาเผยแพ่สั่งสอนให้กับพวกเราชาวพุทธก็คือเรื่องราวของตัวเราเองเนี่เพราะว่าเรื่องราวของตัวเราที่เรารู้นี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่ขัดต่อหลักความจริงเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจเรา ต้องทุกต้องวุ่นวายใจกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราได้มาศึกษาได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเราชีวิตของเราแล้วเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้ความจริงก็คือชีวิตของพวกเรานี้ ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนใหญ่ๆคือหนึ่งคือร่างกายสองคือจิตใจร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเป็นเพียงวัตถุคือร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลงไป ไม่มีความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดนี้อยู่ที่อีกส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราที่เรียกว่าจิตใจจิตใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆตามความอยากตามความต้องการของจิตใจแล้ว กรให้ความสุขจากการที่ได้ใช้ร่างกายนี้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้แก่ใจแต่เป็นความสุขเพียงชั่วคราวเพราะโดยธรรมชาติของความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุข จากรูปเสียงกิน่นรสโหตภะชนิดต่างๆร่วนเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราได้มาใหม่ๆมันก็ดีมันก็ให้ความสุขกับเราแต่พอเราอยู่กับมันไปนักระยะหนึ่งมันก็เปลี่ยนได้ จากดีก็กลายเป็นไม่ดีได้กลายเป็นของเสียของบูดของเน่าขึ้นมาเพราะสิ่งที่เคยให้ความสุขของเรากับเราเปลี่ยนไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ท, ทันทีนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจร่างกายนี่เป็นเหมือนคนรับใช้ ส่วนจิตใจนี้เป็นเหมือนเจ้านายใจเป็นนายกายเป็นบา่าวมาพบกันมารวมตัวกันในขณะที่อยู่ในท้องแม่เวลาแม่ตั้งครรภ์ขึ้นมาแม่ตั้งครรภ์ก็คือตั้งผลิตร่างกายที่มีอาการส2สองส่วนใจนี้เป็นดวงวิญญาณ ที่มาเกาะติดกับร่างกายเป็นคนละคนกันเป็นเหมือนฝาแฝดแฝดพี่แฝดน้องร่างกายเป็นเหมือนแฝดน้องใจเป็นเหมือนแฝดพี่ใจเป็นผู้ใช้ผู้สัง่งให้แฝดน้องทำอะไรต่างๆตามความอยากตามความต้องการของใจ น, นี่คือตัวเราชีวิตของพวกเรานี่มีสองสว่วนมีร่างกายซึ่งทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็มีจิตใจเป็นาธาตรู้ที่มีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดได้เป็นผู้รู้ผู้คิดเรื่องราวต่างๆผู้สัมผัสความสุขความทุกข์ต่างๆ เป็นจิตใจนี่เป็นผู้รับรู้ <c oughs> ร่างกายกับจิตใจนี้ต่างกันตรงที่ร่างกายเป็นของชั่วคราวร่างกายนี้เดี๋ยวพอเกิดแล้วก็จเจริญเติบโตแล้วก็จะแก่แล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกาย ไม่มีใครไปฝืนไปเปลี่ยนความจริงอันนี้ได้แม้แต่ใจที่มาเกาะติดกับร่างกายนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอถึงเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่มาเกาะติดกับร่างกายก็จะแยกออกจากร่างกายไป แล้วใจนี้ก็จะไปหาหรือไปรอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปเหตุที่ทำให้ใจนี้ต้องมีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าใจนี้มีความอยากหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสทธ ภ, ภาชนิดต่างๆนั่นเอง การจะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจา ก, ก, กรูปเสียงกลิ่นรสผดผพาได้จำเป็นจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราอยากดูเราก็ต้องมีตาเราอยากจะดูรูปต่างๆเราก็ต้องมีตาเราอยากจะมีเสียงต่างๆเราก็ต้องมีหูเราอยากจะลิ้มรสต่างๆเราก็ต้องมีลิ้น เราอยากจะดมกลิ่นชนิดต่างๆเราก็ต้องมีจมูกเราอยากจะสัมผัสสิ่งต่างๆเช่นของแข็งของนุ่มของร้อนของเย็นเราก็ต้องมีร่างกายร่างกายนี้จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสำหรับจิตใจเพราะถ้าจิตใจเวลาถาดร่างกายไปจิตใจก็จะ ไม่สามารถหาราบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอร่างกายตายไปใจก็เลยต้องไปหาร่างกายใหม่ไปรอรับร่างกายจากแม่คนใหม่เวลาแม่แต่งงานแล้วแม่ก็มีการร่วมรับนอนกับพ่อ แล้วพอเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มารวมตัวกันก็ละก็สร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาพ อ, อมีร่างกายอันใหม่ใจก็เลยส่งกระแสของใจกระแสการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมาเกาะที่ตาหูจมูกขื้นกายของร่างกายแล้วเวลาออกมาเวลาออกมาจากท้องแม่ ใจก็ไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายเพราะใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายนั่นเองใจของพวกเราทุกคนขณะนี้อยู่กับร่างกายอยู่ติดกับร่างกายแต่ไม่ใช่เป็นคนเดียวกันใจปเป็นเป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปร่างหน้าตาร่างกายนี้เป็นของที่มองเห็นได้ เพราะมีตาหูจมูกนิ้งกายพอออกมาจากท้องแม่ใจที่ไม่มีร่างกายก็เลยไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายพอหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็ไปรักไปหวงไปยึดไปติดกับร่างกายของตนก็ต้องพยายามดินน้นรนพยายามรักษาให้ร่างกายนี้อยู่รอดไป ความรักความหสงนี่เองที่ทำให้ใจต้องมาทุบ ก, กับการดูแลรักษาเลี้ยงดูร่างกายตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มรับภาระของการเลี้ยงดูร่างกายสิ่งแรกที่ออกมาจากท้องแม่สิ่งที่ร่างกายต้องทำก็คือหายใจเองเออกจากท้องแม่ก็ต้องเริ่มหายใจ แล้วก็ต้องเริ่มรับประทานเริ่มดื่มดื่มน้ำดื่มาารับประทานอาหารแล้วก็รักษาอุณภูมิของร่างกายไม่ให้เย็นจนเกินไปนี่คือการต่อเติมธาตุสี่นี่ลมหายใจเรียกว่าธาตุลมน้ำนมที่ดื่มเข้าไปในตอนต้นนี้ มีทั้งธาตุดินผสมกับธาตุน้ําผสมกันธาตุดินก็เป็นพวกอาหารต่างๆที่ทํามาในที่มันผสมกับน้ําทําให้กลายเป็นธาตุนมไปถ้ทาทําให้เป็นนมไปร่ mm hmm. นางกายก็เอาธาตุทั้งสี่นี้เข้ามา mm hmm. อย่างต่อเนื่องหายใจอยู่ทุกนมหายใจเข้าออก เอาลมเข้าอารมออกดื่มน้ำํำดื่มนมนอาหารเข้าอาธาตุน้ำธาตุดินเข้ามาในร่างกายแล้วก็เอาอุณห ภ, ภูมิความร้อนอที่ได้จากบรรยากาศเข้ามาผสมกันพอธาตุทั้งสได้เข้ามาผสมกันก็สามารถแปลงเป็น อาการต่างๆของร่างกายได้แปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นม้ามเป็นปอดเป็นตับเป็นไตเป็นหัวใจเป็นลำไส้เป็นเยื่อในสมองศีรษะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นของแข็งแล้วก็มีส่วนของเหลวก็คือเป็น เป็นเลือดเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันคข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดสิ่งเหล่านี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟที่ร่างกายเอาเข้ามาอย่างต่อเนื่องเอาธาตุลมผ่านทางทางจมูกเอาธาตุน้ำธาตุดินผ่านทางปากแล้วก็เอาธาต เละาะธาตุไฟผ่านทางร่างกายดูดซึมความร้อนเข้ามาในร่างกายพ อ, อร่างกายมีการสนับสนุนจากธาตุสีดินน้ำนมไฟร่างกายก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาจากเด็กทารกก็กลายเป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ต่อไปก็เป็นผู้สูงอายุผู้ชราแล้วในที่สุดก็ไปสู่จุดจบของร่างกายเมื่อร่างกายยุติการนำเอาธาตุสีเข้าสู่ร่างกายก็คือหยุดลมหายใจพอร่างกายหยุดลมหายใจร่างกายก็ไม่เอาน้ำไม่ดื่มน้ำไม่รับประทานอาหาร ไม่ดูดซึมความร้อนเข้าสู่ร่างกายธาตุสีที่มีรวมตัวอยู่ในร่างกายก็จะแยกตัวออกจากกันสิ่งแรกที่ออกจากร่างกายไปก่อนก็คือธาตุลมบดลมหายใจตามด้วยธาตุไฟคือความร้อนร่างกายของคนตายนี้จะเย็นไม่เหมือนกับร่างกายของคนเป็น ถ้าไปจับร่างกายคนตายจะเห็นชัดเจนว่าเย็นกว่าร่างกายของคนเป็นแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปทาน้ำก็จะหลุดก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆทิ้งไปเรื่อยๆนานเข้ามันก็จะแห้งกรอบร่างกายก็จะแห้งกรอบอวัยวะต่างๆก็จะเหี่ยวแห้งไปหมดเรือพุ้มกับโครงกระดูก แล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปมันก็จะผุจะกลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือวงจรของร่างกายที่ไม่ใช่มีตัวตนอยู่ในร่างกายพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ในจิตใจที่ไม่ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายหยุดหายใจ จิตใจก็ยังอยู่ต่อไปจิตใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่มเราก็อยู่ในจิตใจทิ้งเราก็ไปกับจิตใจ<ม>จะไปสุขจะไปทุกข์นี้<ม>ก็อยู่กับการกระทาของจิตใจ<ม>ถ้าทําบุญจิตใจก็จะไปกับความสุข ถ้าทำบาปจิตใจก็จะไปกับความทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราที่อยู่ในจิตใจนี้ไม่รู้กันเราเลยเราเลยทําอะไรที่ไม่ถูกตามความเป็นจริงแทนที่จะทําสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขเราก็กลับทําให้เรามีความทุกข์กัน เพราะว่าเราขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเรามีความสุขจากการได้เสพนาบยศสารเสริญได้เสพเรืปอเสียงกลิ่นรดโผฏฐพัชนิดต่างๆกันเราก็เลยมุ่งเป้าหมายของชีวิตของเราไปที่ร่างกาย น่าไปที่การหาราบยศสลรเสริญสุขทางตาหูจมูกขึ้นกายกันแต่เราไม่รู้ว่าความสุขที่เราหากันนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่ไม่มีไม่ให้ความอิ่มความพอกับเราต่อให้เราได้มากน้อยเพียงไรเราก็ยังจะ ผิวยังอยากจะได้อยู่เพิ่มขึ้นไปสมมติว่าเราได้เงินพันบาทเราก็อยากได้เพิ่มเป็นแสนเป็นหมื่นบาทจากหมื่นบาทเราก็อยากจะได้เพิ่มเป็นแสนจากแสนก็เป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านเป็นฐานล้านได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเป็นความสุขที่ สร้างความหิวโหวยให้กับใจแทนที่จะทำให้ใจอิ่มกับทำให้ใจหิวโหวยเพิ่มมากขึ้นความหิวโหวยนี้ไม่ใช่เป็นความสุขความหิวโหวยนี้เป็นความทุกข์เหมือนเวลาร่างกายหิวข้าวนี่มันทุกข์ร่างกายนี้ต้องกินข้าวพอร่างกายได้กินข้าวอิ่มแล้วร่างกายก็หายทุกข์แต่ร่างกายความ ความอิ่มของร่างกายก็เป็นความอิ่มชั่วคราวอีกเหมือนกันกินข้าวไปอิ่มสักสองสามชั่วโมงสีห้าชั่วโมงมันก็เริ่มหิวขึ้นมาอีกเราจึงต้องกินนะฮะกินข้าวกันอยู่วันละสามสี่มื้อด้วยกันเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนสำหรับบางท่านอันนี้คือความสุขที่เราหาผ่านทางร่างกาย เป็นความสุขที่ไม่เคยให้ความอิ่มความพอแต่กับให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจึงทำให้ชีวิตของพวกเรานี้ต้องดิ้นรนหาความสุขกันอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความหิวความอยากหาความสุข จากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ก็ยังไม่หมดไปมันอยู่ในใจและมันเป็นตัวที่ทำให้ใจต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่นี่คือลักษณะของการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนพวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนร่างกายกัน มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานร่างกายที่เราได้มานี้เป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนถ้าอยากจะประมาณดูว่าเรามีร่างกายมากี่ร่างแล้วพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้เราเอาน้าตาที่เราหลังจากร่างกายแต่ละร่างนี้เพราะเวลาเรามาเกิดกันเราจะมักเจอความทุกข์กัน จเจอความเศร้าโศกเสียใจกันแล้วเราก็หลั่งน้ําตากันพระุทธเจ้ า, าบอกว่าให้เอาน้ําตาที่เราได้หลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดกันนี้ถ้าเอามารวบรวมกันแล้วนี้ท่านบอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูว่าเราจะต้องมาเกิดมามีร่างกายกี่ร่างกายกันถึงจะได้ มีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนของร่างกายที่เราได้มาและเสียไปนละจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลงตายไปจากร่างกายอันนี้ใจของเราก็ยังอยากได้ร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่พาเราไปหา ความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโถดทพะกันมาแล้วได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปสิ่งที่เราหาได้มาจะผ่านทางร่างกายคือลาบยศสรรเสริญสุขก็หมดไปแต่สิ่งที่ไม่หมดก็คือความอยากความหิวความอยากที่ จะได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ลาบยศสารสนสุขต่อไปไม่มีวันหมดความอยากตัวนี้แหละที่พาให้พวกเราต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆและการแกรการเกิดการแกรการเจ็บการตายก็ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์เวลา ร่างกายแก่ก็ทําให้ทําอะไรยากลําบากทําให้ร่างกายมีอาการเจ็บปวดไม่มีความสุขเช่นเดียวกับเวลาเจ็บไข้ได้ปวดเช่นเดียวกับเวลาจะตายเวลาเกิดมาก็ต้องมาดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการเกิดนี่มันเป็นความทุกข์กัน ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกนี้จำเป็นต้องยุติการเกิดให้ได้เท่านั้น <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังมีการแก่มีการเจ็บมีการตายอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้น <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ส่งค้นพบสาเหตุที่พาให้ใจนี้มา เกะติดกับร่างกายอันใหม่แล้วอาศัยร่างกายอันใหม่นี้เป็นเครื่องมือหาความสุขพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าสาเหตุที่พาให้ใจมาเกาะติดกับร่างกายมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆก็เพราะวาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองเรียกว่ากามาตัญหาอยากจะเสดกาม อยากจะเสพรูปเสียงกิ่นรถผธัพระแล้วก็ภาวะตันหาอยากร่ำอยากรวยอยากได้ลาบยศสรรเสริญและวิภภาวะตันหาคือความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุดไปไม่มีใครอยากจะสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีใครอยากจะสูญเสียยศเสียตำแหน่งไม่มีใครอยากจะสูญเสียรางวัล มีแต่อยากจะได้รับรางวัลอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้รับรางวัลก็จะรู้สึกไม่สบายใจเวลาสูญเสียตําแหน่งเวลาถูกถอดยศก็รู้สึกเสียใจเวลาสูญเสียเงินทองไปก็เสียใจจึงทําให้เราต้องคอยพยายามดิ้นรนคอยหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปอย่างอย่างเมามันอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เคยยับยังไม่เคยคิดเลยว่าเราหาไปทำไมกันหามาได้มากได้น้อยเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหามาแทบเป็นแทบตายแล้วพอร่างกายตายไปของที่เราหามาได้ น, นี้มันก็ เป็นของคนอื่นไปหรือตอนบางทีมันเป็นของคนอื่นไปก่อนตั้งแต่เรายัางไม่ตายก็ได้<ม>คนที่เคยมีทรัพย์เคยร่ำรวยกลายเป็นคนยากจนขึ้นมาก็ได้คนที่เคยมีตําแหน่งสูงๆก็กลับเป็นคนที่ไม่มีตําแหน่งก็ได้เ<ม>ช่นตําแหน่งส่วนใหญ่ของทางราชการนี้<ม>ก็เป็นตําแหน่งแค่ชั่วคราวเท่านั้นเอง พอหมดอายุพอพอ้นอายุก็เสียอายุตำแหน่งก็เป็นของคนอื่นต่อไปเนี่ยทำไมไม่นั่งคิดกันว่าหามาแทบเป็นแทบตายแล้วในที่สุดก็ต้องสูญเสียมันไปแล้วเวลาสูญเสียมันไปก็อยากจะได้ใหม่ยังอยากจะได้ความสุขต่างๆจากลาบยศสารเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรดอยู่เรื่อยๆอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าอยู่เฉยๆก็หงุดหงิดนำคาญใจซึมเศร้าหงอยเหงาเบื่อหน่ายต้องคอยมีอะไรให้ทาให้มีอะไรให้หาให้ได้มาอยู่เรื่อยๆไปจนถึงวันตายพอร่างกายตายไปความอยากหาสิ่งต่างๆมันอยู่ในใจ มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็พาให้เราต้องไปหาร่างกายอันใหม่พระพุทธเจ้าสรงคนบว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องกลับไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆคือหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดใหม่ไม่อยากจะไปทุกข์อีกรอบหนึ่งหรืออีกหลายๆรอบ เราต้องมายุติการหายุติความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสารเสสะสุกกันแล้วเรานี่สามารถทำได้เพราะพระพุทธเจ้าได้สรงกระทามาแล้วพระองค์ท่งค้นพบเครื่องมือหรือวิธีที่จะตัดความอยากต่างๆนี้ให้หมดสิ้นไป จากใจพอตัดความอยากต่างๆให้สิ้นไปแล้วใจก็จะไม่ต้องการมีร่างกายใหม่ต่อไปและการตัดความอยากนี้ก็มีผลที่ที่ทมหัศจรรย์ใจคือผลที่เกิดจากการตัดความอยากได้ก็คือทำให้ใจมีความอิ่มความพอขึ้นมา ความอยากกับความอิ่มความพอนี้เป็นเหมือนกับคนละฝ่ายกันเป็นเหมือนกับความความมืดกับความสว่างไม่สามารถอยู่ที่เดียวกันได้เวลามืดมันก็ไม่มีความสว่างเวลาสว่างมันก็ไม่มีความมืดเวลามีความอยากมันก็ไม่มีความอิ่มความพอเวลามันไม่มีความอยาก ความอิ่มความพอก็จะปรากฏขึ้นมาเองอันนี้พอมีความอิ่มความพอไม่มีความอยากใจก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาราบยศสรเสริญสุขอย่างที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้แล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พระพุทธเจ้าก็ส่งพบเครื่องมือ เครื่องมือที่จะทำให้พวกเหล่านี้หยุดความอยากต่างๆได้ก็คือการทำบุญทำทานการรักษาศีลและการภาวนาการภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าสมถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เองสมถภ า, าวนาคือการทำใจให้สงบ หยุดความอยากชั่วขา่าวสร้างความอิ่มความพอขึ้นมาแบบชั่วขา่าวแล้วพอเราได้ความอิ่มความพอแบบชั่วข่าวแล้วเราก็มาจเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อหยุดความความอยากอย่างถาวรเพื่อสร้างความอิ่มความพออย่างถาวรต่อไปนี่คือเครื่องมือถ้าพวกเรา เข้าใจถึงปัญหาของพวกเราว่าตอนนี้ปัญหาของพวกเราอยู่ที่ตรงไหนกันปัญหาของพวกเราก็อยู่ตรงที่มีแต่มีความอยากที่ไม่รู้จักอิ่มจากพอนี่เองได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มเคยพออยากจะได้เพิ่มมากขึ้นได้คือก็อยากจะได้เป็นสอได้เป็นสอบก็อยากจะได้เป็นวาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอดูมหาเศรษฐีเนี่ มีเป็นหมื่นล้านแสนล้านถามเขาว่าพอไหมรู้จักคําว่าพอไหมไ ม, ไม่ไม่พอยังหาต่อไปไม่รู้จะหาไปทําไมกินไปจนวันตายกอีกร้อยภพร้อยชาติมันก็ไม่หมดแต่อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะการหาการได้ราบยศเสริญสุขได้รูปเสียงกลิ่นรสบาร์นี้ไม่ว่าจะได้มากได้น้อยนี้มันไม่ได้ทําให้เกิดความอิ่มความพอ แต่มันกลับเป็นการกระตุ้นความอยากให้เพิ่มมากขึ้นเพราะธรรมชาติของมันนี้เป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดนี้ท่านก็คงจะเข้าใจว่าเวลาเสพยาแล้วมันจะติดมันไม่มันจะอยากเสพไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มันไม่ให้ความอิ่มความพอเพราะว่ามันไม่ได้ให้ความสุขอย่างถาวร ความสุขที่ได้นี้เป็นความสุขชั่วเดี๋ยวเดียวพอลิ์ของยาเสพติดหมดไปความสุขก็หายไปความอยากที่จะเสพยาก็มีกลับมาอีกและมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกฉันใดราบยศสารเสริญสุขก็เหมือนกันเป็นยาเสพติดดีๆนี่เองแต่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคน ต้องการกันแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้ไม่สามารถมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนยาเสพติดแต่ความจริงมันก็เป็นเหมือนยาเสพติดเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับยาเสพติดยาเสพติดนี้รุนแรงทำให้ผู้เสพนี้ถึงแก่เสียชีวิตได้และทาให้ผู้เสพนี้สามารถไปทาบา ด้วยวิธีการต่างๆได้แต่ถ้าเรามองภาพภาพใหญ่คือการเสพลาบยศเสริญสุข mm. ก็ทำให้คนไปทําบาปกันได้คนไปชอบโกงกันนี่ mm. ก็เพราะอยากได้ลาบยศเสริญสุขกันนั่นเองเราได้ยินข่าวข่าวอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้มีการหลอกลวงกันมีการชอบโกงกันหลอกเอาเงินของคนมาลงทุน แล้วในที่สุดก็เชิดหนีไปอันนี้ก็เป็นเพราะติดลาบหนึงนติดเงินทองมีเงินทองเราก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยซื้อของต่างๆซื้อของราคาแพงๆของหรูหราทีนี้ถ้าใช้เงินแบบนี้รายได้ที่หามาจากงานที่สุดจริตมันก็ไม่พอก็เลยต้องหาวิธีหาโดยวิธีทุจริตกัน เมือนกัคนติดยาเสพติดพอไม่มีเงินซื้อยาเสพติดก็ต้องไปลักไปขโมยเงินของผู้อื่นเพื่อที่จะได้ไปซื้อยาเสพติดมาเสพนี่แหละคือภัยของพวกเราทุกคนที่พวกเรานี้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความอยากหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูกเสียงกลินลดต่างๆนี่ มันยิ่งทำให้พวกเรานี้เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดโดยไม่รู้เสกตัวเสพเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วเวลาขาดถ้าหาโดยวิธีสุจริตไม่ได้มันก็ทำให้เราต้องไปหาโดยวิธีทุจริตกันไปทำผิดกฎหมายไปทำผิดศีลละทมกันแล้วผลที่ทำมันก็ทำให้เกิดโทษตามมา ถ้าอยู่ในโลกนี้ก็ยังต้องไปติดคุกติดตารางถ้าถูกจับได้ถ้าตายไปก็ไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ในโลกของดวงวิญญาณอีกด้วยนี่คือสถานภาพของพวกเราทุกคนที่มาเกิดอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างนี้พวกเราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดกันนานๆจะมีคนทีุ่ดน ออกจากการติดยาเสพติดได้ก็คือพระพุทธเจ้านี่นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่เห็นสถานภาพของตัวเองว่าตัวตัวเองนี่เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดติดลาบยศสารเสริญสุขกันจึงพาให้ต้องมาหาลาบยศสารเสริญสุขไปไม่มีวันสิ้นสุดหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แต่กลับทำให้มีความหิวความอยากหาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพระองค์ทรงพิจารณาด้วยปัญญาและทรงเห็นว่านี่คือภัยต่อจิตใจที่พาให้ใจนี้ต้องไปรับทุกชนิดต่างๆจากการที่มาเกิดจากการที่มาหาราบยศสสรสนสุกกันจึงอยากจะหาวิธีที่จะ ทำให้ใจนี้หยุดจากการเป็นาธาตุของอยาเสพติดให้ได้ก็เลยทรงศึกษาก็ทรงเห็นว่าวิถีของนักบวชนี้แหละเป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเป็นผู้ติดยาเสพติดกันเบื้องต้นก็ต้องห้ามใจตัวเองไม่ให้ไปเสพ เสพให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเสพเ ท, ท่าที่จะทำได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีการใช้เงินทองส่วนใหญ่เรามักจะใช้เงินทองเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายกนะเงินทองนี้เรามีใช้อยู่สองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเอามาเลี้ยงดูปากท้องของร่างกายอันนี้มีความจำเป็นเพราะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงถึงจะ สามารถไปเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราหาเงินหาทองกันเป้าหมายแรกก็คือหาเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันแล้วถ้าเรามีเงินมากไปกว่า น, นั้นเราก็เอาเงินส่วนนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันซื้อรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเห็นรูปอะไรสวยก็ซื้อมา เห็นรถยนต์สวยก็ซื้อมาเห็นแหวนเพชรสวยก็ซื้อมาเห็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเห็นบ้านเห็นคอนโดสวยก็ซื้อมากันเวลาซื้อแล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมาตอนที่เราได้ซื้อมาใหม่ๆแต่พอสักระยะหนึ่งความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราซื้อมันก็จืดจางไปหายไปทำไม่เราต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆซื้อมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ ตอนต้นก็ซื้อรถคันหนึ่งแล้วถ้ามีเงินมากขึ้นอีกก็ซื้ออีกคันหนึ่งมีมากขึ้นอีกก็ซื้ออีกคันหนึ่งบางคนเช่นพวกมหาเศรษฐีอาลับนี่มีรถยนต์เป็นร้อยร้อยคันเลยเพราะความอยากนี่มันไม่อิ่มไม่พอมันทําให้ต้องไปซื้อมาอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะส ก, กัดความอยากแบบนี้ก็คือให้เอาเงินที่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือย ของที่ไม่จำเป็นนี้มาทำบุญทำทานแทนเอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเอาไปสร้างสถานที่สงเคราะห์คนแก่คนชราหร้อช่วยเหลือคนทุกข์ยากเดือดร้อนคนยากคนจนอะไรต่างๆด้วยวิธีการต่างๆอันนี้เป็นการเอาเงินไปใช้ในทางที่จะระ ง, งับความ คิวความหยากกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นี่คือการทําทานทางพระพุทธศาสนานี้ทําทานเพื่อให้เราลดความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นเหมือนยาเสพติดอย่าไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสกเอาไปซื้อบุญมาเสกการทําบุญทําทานนี้เราจะได้บุญ บุญก็คือความสุขใจอิ่มใจเวลาเราทำบุญทาทานนี้เราได้ความสุขไ ด, ได้ความอิ่มใจแต่เวลาเราไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐั์ต่างๆเราได้ความสุขเดียวๆแต่ได้ความหิวใจตามมาไม่อิ่มไม่พอเวลาเราทำบุญแล้วเราจะรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจแล้วมันจะทำให้เราไม่หิวกับการไปหารูป รูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆมาเสพนั่นเองอันนี้เป็นขั้นขั้นที่หนึ่งของการที่เราจะสงัดสกัดความอยากที่จะไปเสพยาเสพติดของรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาด้วยการเอาเงินนี้ไปทำบุญเราสามารถเลือกทำบุญชนิดต่างๆที่เราชอบได้บางคนชอบไปปล่อยนอกปล่อยปลาก็ทำได้ บางคนชอบไปช่วยถ่ายชีวิตวัวควายที่จะถูกเขาฆ่าตายก็ทำได้บางคนก็ไปสงเคราะห์คนเด็กยากจนเด็กที่ไม่มีการศึกษาให้ทุนการศึกษาบางคนก็อยากจะทำกับโรงพยาบาลซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้โรงพยาบาลขยายสร้างตึกใหม่ให้กับโรงพยาบาลอันนี้เป็นการทําบุญ เพื่อให้เกิดความอิ่มใจพอใจทำให้ไม่หิวกับการที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนอันนี้คือวิธีการที่เราจะทำให้ใจของเรานี้ยุติการใช้เงินใช้ทองไปซื้อยาเสพติดนั่นเองแล้วพอเราไม่เสพไม่ติดแล้วทีนี้เราก็จะไม่มีอะไรมากดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อย ถ้าเรายังติดรูปเสียงกลิ่นรสติดการซื้อของต่างๆเราก็จะต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆเมื่อเราซื้ออยู่เรื่อยๆเงินทองที่เราใช้ไปมันก็จะบวดมันก็จะน้อยลงมันก็จะกดดันให้เราต้องคอยหาเงินหาทองมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เอามาใช้ตามความอยากของเราเราก็จะทำให้เหล่านี้ไม่ไม่มี เวลาที่จะไปทำสิ่งอื่นๆที่ดีกว่าตอบมาได้คือเราจะไม่สามารถยุติการติดในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ติดยาเสพติดได้ดังนั้นขั้นขั้นที่หนึ่งถ้าเราใช้เงินซื้อยาเสพติดเราก็ต้องใช้ทานการทำบุญทำทานเป็นการเป็นการระงับการใช้เงินไปในการซื้อยาเสพติด แทนที่ยามเงินไปซื้อยาเสพติดก็เอาไปซื้อบุญแทนเอาไปทําบุญทําทานแล้วเราจะได้ความสุขดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปซื้อยาเสพติดมาเสพซื้อรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะมาเสพแล้วจะทําให้ใจเราอิ่มใจเราจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะไม่มีเงินซื้ออะไรต่างๆเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่คนที่คอยใช้เงินซื้อรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เรื่อยๆ พอเงินขาดมือเราจะรู้สึกหนุดกิียดใจขึ้นมาพอเงินไม่พอใช้เคยใช้เงินซื้อนู่นซื้อนี่นทุกวันพอเงินพองไม่พอใช้นี้ก็จะเริ่มหนุดหยิดแล้วจะเริ่มไม่สบายใจและอาจจะไปคิดหาวิธีหาเงินมาเพิ่มโดยวิธีไม่ถูกต้องก็ได้หาวิธีช่อกงวิธีลักขโมยต่างๆ เพื่อที่จะได้มีเงินเพิ่มเพื่อจะได้เอามาเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่อไปอันนี้ขั้นที่หนึ่งคือการใช้เงินทองให้ถูกวิธีถ้าเรายังใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องเลิกให้ได้เอาเงินทองไปซื้อบุญแทนเอาเงินทองไปทำบุญทาทานแทนแล้วแล้วเงินทองก็จะไม่เป็นอันตรายกับเรา แล้วเราก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องหาเงินหาทางมามากมายถ้าเราไม่มีเงินทาบุญเราจะไม่รู้สึกหงดเย็ดนำทานใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยเราจะรู้สึกว่าพอแล้วเราทําได้มากเท่านี้ก็พอแล้วเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดแล้วมันจะทําให้เราได้ไปไปสกัดความอยากที่ยังเหลืออยู่ในใจต่อไปความอยากมันไปหลายทางด้วยกัน ไปทางเงินทางทองเราก็ต้องส ก, กัดด้วยการทําบุญทําทานแล้วความอยากมันยังมีพาให้เราไปในในการกระทําในการกระทําบาปต่างๆคนเราส่วนใหญ่ที่ทําบาปกันก็เพราะว่าต้องการรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีไม่ทําบาปก็ไปทําบาปกัน ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปวดโกโหกหลอกลวงอันนี้เราก็ต้องมาใช้ศีลเป็นเครื่องมือสกัดความอยากที่จะไปหายาเสพติดหารูปเสียงกลิ่นลดโภทภะชนิดต่างๆด้วยการกระทำบากนี้อันนี้เป็นขั้นตอนที่สองในการที่เราจะ หยุดความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปตอนต้นก็หยุดถ้าเราใช้เงินซื้อความสุขซื้อยาเสพติดเราก็ต้องหยุดการใช้เงินซื้อยาเสพติดถ้าเราหายาเสพติดด้วยการกระทําบาปเราก็ต้องรักษาศีลห้ากันถ้าเรารักษาศีลห้าเราก็จะไม่ไปไปฆ่าผู้อื่นไปรักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ไปพูดปดโกหกหลอกรวง เพื่อทำตามความอยากต่างๆของเราเพื่อได้ยาเสพติดมาเสกกันนี่คือวิธีการขั้นที่สองในการที่เราจะตัดความอยากที่เรียกว่ากามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาในราบยศสารเสริญสุกกันต้องตัดด้วยทานแล้วก็ตัดด้วยศีลเราอีกตัดด้วยทานด้วยศีลแล้วยังไม่พอยังมีเหลืออีก ยังมีเหลืออยู่ในใจของเราถึงแม้ไม่ไปทําทานถึงแม้ไม่ไปซื้อความสุขด้วยเงินไม่ไปซื้อยาเสพติดด้วยการกระทาบาปแต่มันยังมีความอยากที่จะเสพอยู่ภายในใจอยู่ที่มาคอยบครบกวนทําให้ใจเราไม่มีความสุขอยู่อันนี้เราต้องใช้วิธีภาวนาเป็นขั้นที่สามภาวนานี้ก็แบ่งเป็นสองขั้นด้วยกัน ขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาเราต้องมาทำใจให้มันหยุดความอยากให้ได้เพราะความอยากนี้มันมันพุ่งมันออกมาจากใจแล้วก็สั่งสั่งไปที่ร่างกายให้ไปทำบาป ก, กันหรือสั่งไปที่ร่างกายให้ไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาเงินทองที่หามาได้นี้ไปซื้อความสุข ทางตาหูจมูกนิ้วกายกันถ้าเราสามารถระ ง, งับตัวตัวความสั่งที่มีอยู่ในใจนี้ได้ตัวความอยากนี้มันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองมันอยู่ที่ใจที่สั่งให้ใช้เงินทองไปทำไปหายาเสพติดมาเสพสั่งให้ร่างกายไปทําบาปเพื่อไปหายาเสพติดมาเสพอันนี้ก็ต้องอาศัยการภาวนา สมถาภาวานานี้จะทำให้ใจนิ่งใจสงบการทาใจให้นิ่งให้สงบถ้าใจนิ่งใจสงบแล้วความอยากมันก็จะหายไปชั่วคราวแล้วความอิ่มความพอมันก็จะปรากฏขึ้นมาในใจทันทีแต่มันเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาต้องอาศัยขั้นที่สองคือวิปัสสนาก่อน วิทีทำได้ขั้นที่หนึ่งแล้วทำใจให้สงบแบบชั่วคราวแล้วเราก็ใช้ขั้นที่สองใช้ปัญญาคือวิปัสสนาสอนใจให้เราเห็นโทษของการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นการเสพยาเสพติดดีๆนี่ไปเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขพวกเราทุกคนไม่กล้าเสพยาเสพติดกันเพราะเรามีปัญญาเห็นโทษของยาเสพติด ชั้นใดเราก็ต้องเห็นโทษของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณ์ชนิดต่างๆและการหาราบยศสารเสริญสุขว่าเป็นเหมือนยาเสพติดที่ร้ายแรงที่จะพาให้เราต้องไปทุกข์ไปเวียนว่ายตายเกิดกันอันนี้ถ้าเราไปถึงขั้นที่สามแล้วเราก็จะสามารถกำจัดความอยากที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรเพราะฉะนั้นท่าน ขั้นขั้นแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องใช้เอาเงินหยุดการใช้เงินทองไปซื้อยาเสพติดทางทางใจเงินแล้วก็หยุดการกระทําบาปเพื่อไปหายาเสพติดทางใจมาเสพแล้วข้อที่สามคือเราต้องมาหยุดความอยากด้วยการทําใจให้สงบนิ่งให้ได้การที่เราจะทําใจให้สงบนิ่งได้เราต้องมีการปฏิบัติสมถาภาวานานี่ยเองซึ่งก็เป็นของที่ ไม่ใช่เป็นของง่ายแต่ก็ไม่ใช่เป็นของสุดวิสัยทำได้ทุกคนอยู่ที่ว่าสามารถหาเวลามาทำได้หรือไม่เพราะการจะทำใจให้สงบนี้จำเป็นจะต้องมีเวลามันเป็นเหมือนกับการทำงานอย่างอื่นเวลาเราจะไปหาเงินหาทองเราก็ต้องมีเวลาไปทำงานกันถ้าเราไม่มีเวลาไปทำงานเราก็ไม่สามารถหาเงินหาทองได้ถ้าเราต้องการหยุดความอยากต่าง ถ้าเราต้องการหาความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆเราก็ต้องมีเวลาคือเราต้องเปลี่ยนงานพูดง่ายๆถ้าเราเคยหาหาเงินหาทองแล้วเราเห็นว่าเงินทองนี้เราก็าไปเอาไปซื้อยาเสพติดมาเสพเป็นทิสเป็นภัยกับตัวเราไปเปล่าๆสู้เราเปลี่ยนงานดีกว่างานแบบนี้ไม่ดีงานหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อยาเสพติดทางใจนี้เป็นโทษ มันเป็นตัวที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆเราก็ลองมาเปลี่ยนงานดูเบื้องต้นเราอาจจะทำสองงานไปควบคู่กันไปก่อนก็ได้เพราะเรายังจำเป็นต้องมีเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราส่วนหนึ่งด้วยนั้นเรายังอาจจะเลิกหาเงินหาทองแบบเต็มที่ไม่ได้เบื้องต้นเราก็เอาเอาเวลาที่เราว่างจากการหาเงินหาทองนี้มาหามาหาความสงบกัน เช่นวันหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แทนที่เราจะเอาเวลาวันหยุดนี้ไปเสพยาเสพติดทางตาหูจมูกนิ้วกายทางใจเราก็เอาเวลามาทำใจให้สงบด้วยการไปหาที่สงบปฏิบัติเพราะการจะทำใจให้สงบนี้ต้องหาที่เงียบๆที่ไม่มีแสงสีเสียงไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไปตามวัดป่าวัดเขากันวัดที่มีการปฏิบัติเขาจะเน้นความสงบเขาจะเน้นการปีกเว้กไม่คลุกคลีกันให้ต่างคนต่างอยู่กันตามลำพังเพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบได้ง่ายถ้าอยู่ร่วมกันกับคนอะไรนี้มันจะวุ่นวายใจมันจะมีเรื่องมีราวให้คิดให้ปรุงอยู่เรื่อ ย, เ ร, อยเราต้องแยกไปอยู่คนเดียว แล้วเราก็ต้องถือศีลเพิ่มขึ้นด้วยเราต้องห้ามการกระทำความอยากทางทางร่างกายคือการเสพเสพการต่างๆเช่นข้อศีลข้อสามแล้วก็เปลี่ยนเป็นศีลเป็นแบบบรมมัจจลิยาเคยร่วมหลับนอนกับแฟนก็ต้องขอยุติกันแล้วก็เคยรับประทานอาหารเพื่อความ สุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องลดลงให้เหลือเพียงมือเดียวหรือไม่เกินเที่งวันไปแล้วเพื่อที่จะได้ไม่มารบกวนเวลาของการที่เราจะไปปฏิบัติสมาธิภาวนากันแล้วก็ช่วยให้ไม่ร่างกายมันเบาไม่ไม่หนักไม่ง่วงนอนถ้าเรารับประทานอาหารมากเช่นรับประทานสามมื้อนี่ เวลาจะไปนั่งสมาธิเวลาไปเจริญสมถะภาวานานี้จะง่วงจะขี้เกียจแต่ถ้าเรารับประทานพอประมาณเามื้อเดียวหรือสองมือ้อแต่ก็ไม่เกินเที่ยงวันนหลังจากบ่ายไปแล้วร่างกายจะเบาจะสบายจะสามารถเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบได้ครูปฏิบัติสมถะภาวานาเพื่อหยุดความอยากชั่วคราวนี้ จำเป็นที่จะต้องไปหาที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลําพังแล้วก็ถือศีลแปดไม่ให้ไปเสพการาชนิดต่างๆไม่ให้รับประทานอาหารไม่ให้ไปเสพเรื่องบันเทิงต่างๆไม่ให้นอนหลับไม่ให้ไปเสพความสุขที่เกิดจากการนอนหลับบนเตียงใหญ่หญๆผู้หนาๆเตียงสําราญให้นอนแบบสมถะ คือนอนกับพื้นแข็งๆเพื่อจะได้ไม่นอนมากเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอร่างกายนี้เวลาเหนื่อยเวลาง่วงนี่นอนที่ไหนก็นอนหลับได้อย่างสบายนอนบนฟูกก็ได้นอนบนพื้นแข็งๆก็จะหลับได้ง่ายได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้านอนบนฟูกนี่เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจมันจะไม่อยากจะลุกเพราะมันยังรู้สึกสบาย มันก็จะนอนต่อมันก็จะทําให้เสียเวลาของการที่จะมาทําใจให้สงบให้นิ่งเพื่อหยุดความอยากต่างๆนั่นเองดังนั้นในขั้นของการภาวนาขั้นแรกสมถาภาวนานี้เราจําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกันไปหาที่สงบสงัดวิเวกแล้วเราก็ต้องเจริญสติสตินี้เป็นตัวที่จะคอยหยุดความคิดทําใจให้นิ่ง ยายจะนิ่งได้ต้องมีสติที่ต่อเนื่องผู้ปฏิบัตินี้จะต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นการเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือการใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธเวลาจะคิดเรื่องนั้นเรงนี้ก็ใช้คําบริกรรมพุทธโธมาหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิด เ, เลยอีกวิธีหนึ่งก็ใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆ ไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรก็คอยเฝ้าดูร่างกายกำลังอาบน้ำก็เฝ้าดูอย่าไปให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้ดูเรื่องอาบน้ำอย่างเดียวร่างกายกำลังร่างหน้าแปลงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวทำอะไรต่างๆเดินยืนนั่งนอนก็ให้เฝ้าดูอยู่กับร่างกายเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสตินะถ้าเราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องแล้ว เวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบนี้มันจะง่ายและได้ผลเร็วเพราะเราไม่สติอย่างต่อเ น, นื่องเวลาเรามานั่งเราก็นั่งหลับตาเราจะใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือเราจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างมาปนกันก็ได้แล้วแต่จะพอใจถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้ แต่การนั่งเพื่อให้ใจนิ่งๆต้องมีสติคอยกำกับใจด้วยพุโทโธด้วยการดูลมหายใจเข้าออกเพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราทำได้เดี๋ยวจิตไม่นานจะจะรวมเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาจิตนิ่งจิตสงบความอยากหายไปชั่วคราวความอิ่มความพอปรากฏขึ้นมากลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยพบมา่อน ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตสันติปลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความสุขที่ได้จากการจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนี่พอเราได้พบกับความสุขอันนี้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องรักษาต้องมีให้ได้ตลอดเวลาแต่ เวลาเราออกจากสมาธิมาพอเราเริ่มคิดเราเริ่มเผลอบ่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากที่จะไปหาความสุขจากลาบยศเสริญสุขใหม่ตอนนี้เราก็ต้องมาใช้วิปัสสนาขั้นต่อไปมาพิจารณาว่าลาบยศเสริญสุขนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพอมันหายไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาการไปหาลาบยศเสริญสุขก็เท่ากับการไปหาความทุกข์ดีๆนี่ ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะรังรับความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสารเสรินสุขได้อย่างถาวรพอเราไม่หาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสินสุขหยุดความอยากต่างๆได้อย่างถาวรความสงบที่ได้จากการทําสมาธิก็จะกลายเป็นความสงบที่ถาวรต่อไปอันนี้แหละที่เป็นเป็นเป็นความสงบที่เราเรียกว่าพระนิพพานก็ได้นิบานังปรมังสุขขัง ความสุขของพันธ์พานเป็นความสุขที่สูงสุดเ <c oughs> พราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่หมดไปจะได้ถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นแรกคือขั้นทานตามด้วยขั้นศีลแล้วตามด้วยขั้นสมาธิหรือสมถะภ า, าวนาแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในราบยศเสรเสรสุ พอเราทําอย่างนี้ได้เ ร, เราก็จะไปได้ถึงความสุขที่ถาวรของพานิพานต่อไป mm hmm. เมื่อเรามีความสุขที่ถาวรใจอิม่มไม่มีความหิวความโหยความอยากแล้วใจก็จะไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปเพราะเห็นว่าการไปมีร่างกายใหม่ก็เป็นการไปหาความทุกข<ะ>์นี่เองเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจไม่มีความอยากแล้วไม่มีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้ว ก็เลยไม่มีความจําเป็นจะต้องมีร่างกายกต่อไปใจก็อยู่ในโลกทิพแบบปรมังสุขขังอยู่กับบร ม, มสุขเใจไม่ได้สูญหายไปไหนนิพานไม่ได้หมายคำว่าสูญหายน้นิพานหมายว่าสูญจากความทุกข์ต่างๆสูญจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ตัวนิพานตัวใจที่เป็นนิพานนี้ไม่มีวันสูญหายไม่ต้องกลัวคนบางคนคิดว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วในที่สุดก็กลายเป็นศูนย์ไปไม่มีวันศูน สิ่งที่สูญก็คือความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจสิ่งที่สูญก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเท่านั้นเองเหลืออยู่แต่ความอิ่มความพอไปตลอดนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเรามาศึกษาจากพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรแล้วเราจะต้องทําอะไรพอเราไปทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เราก็จะได้กลายเป็นคนที่มีแต่ความสุขตอนนี้พวกเราเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์กันเพราะเรายังติดยาเสพติดกันเราต้องมาเลิกเสพยาเสพติดกันด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าคือการทำทานรักษาศีลและภาวนาถ้าทำได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ติดยาเสพติดอีกต่อไปก็คิดว่าการสัมดงสาหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาลิวาหาปุราปาเิปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ an ุปกปติอิชิต um ังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนราสุยะถามณนิโชติ ภราสุยธาสพิติยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีติขายุโกภวอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมาวทานเตอายุวันโนสุขัง ภาลั ง, ลงช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะคุยอะไรก็ขอให้ใช้ช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วมันจะไม่สะดวกเพราะจะมีการกระทำอะไรต่างๆอีกก็จะไม่สะดวกที่จะมาถามตอบคำถามเลนใครอยากจะถามคำตอบคำถามคำตอบอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเฟซหรือทาง u t u b e ก็ได้เราจะมีการอ่านคำถามของท่านวันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ วันนี้จาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ443 YouTube พระสุชาติ Live 249 YouTube Dr.V Channel 106วิทยุออนไลน์8 Clubhouse 17นากุติ159รวม982ท่านค่ ะ, ะมีคำถามก็เชิญได้เลยมีคำถามไหมอยากจะถามอะไรหรือเปล่า เดี๋ไม่มีเดี๋ยวรอก่อนก็ได้อยา้ลองฟังคําถามคนอื่นดูก่อนก็ได้ะคุณสุคนธาเวลานั่งสมาธิชอบหลับจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็เดินสมาธิก่อนก็ได้ถ้าหลับก็เดินจงกรมไปก่อนพยายามเจริญสติให้มากขึ้นก่อนอีกอย่างก็ต้องลดอาหารให้น้อยลงด้วยถ้ารับประทานอาหารมากมันก็ทําให้ง่วงนอนได้ หนังท้องตึงหนังตามักจะหย่อนนะน้องทำให้หนังตาตึงหนังท้องหย่อนคุณมาคา่ะสีเราจะหาวิธีแก้ไขความง่วงเหงาหานอนได้อย่างไรและเมื่อเวลาตื่นนาฬิกาปลุกก็ชอบนอนต่อจะชนะกิเลสตัวนี้ได้อย่างไรเจ้าคะก็อย่ามันนอนมันเตียงที่มันสบายพนวะกนั้นนะนิ่มนุ่มนอนนนุ่มนอนสบาย พอมันตื่นแล้วมันก็อยากจะนอนต่อนอนมันพื้นแข็งๆลองลองลองมานอนกับพื้นดูปูเสือ่อปูผ้าดูพอนั่งกายตื่นแล้วมันจะไม่อยากจะนอนต่อวิธีแก้ความง่วงก็มีหลายวิธีด้วยกันอย่างเมื่อกี้พูดก็ฮให้ลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงอย่าให้มันอิ่มมากเกินไปให้มันพอไม่ให้กินแบบไม่ให้กินกินเพื่อดับความหิวพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดอย่าไปกินต่อ อย่าไปกินให้มันอิ่มกินดับความหิวอีกวิธีหนึ่งก็คือไปหาที่น่ากลัวปะนั่งกันไปนั่งตามป่าช้านั่งตามเมนตามอะไรที่มันรู้สึกหวาดเสียวนิดหน่อยพอมันมีความหวาดเสียวหวาดกลัวมันก็จะไม่ง่วงถ้าปฏิบัติบางท่านนี่ท่านไปอยู่ในป่าแล้วยังง่วงอยู่ท่านต้องไปนั่งที่หน้าปากเขวเลยถ้าง่วงก็หก็ทิ่มของเขวไปเลย ถ้าอย่างนี้รับประกรันได้ไม่ง่วงเพราะไม่กล้าที่จ ะ, ะ, ก, จะกลัวที่มันจะตกเขวกันงั้นมันต้องมีมาตรการเนี่ยแต่ละคนปฏิบัติมันความม่วงนี้มันเป็นอุปสรรคทุกระดับเลยตั้งแต่ขั้นต้นไปถึงขั้นขั้นปลายก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นไปไเยื่อยคุณวิไลตอนนี้มีครอบครัวใจอยากจะถือศีลแปด ขอกราบถามว่าควรจะทําอย่างไรได้บ้างเจ้าคะก็ทําคุยกับคู่ครองของเราสอนเลยว่าตอนนี้จะถือสินแปดูว่าเขายอมหรือเปล่าถ้าเขาบอกฉันแต่งงานมาเพื่อไม่ได้มาถือสินแปลถ้าถ้าอยากจะถือสินแปก็อาจจะต้องอย่ากันก็ได้ถ้าถ้ายังทําไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปทํำรอเวลาที่เขาไม่อยู่เขาไปทุนละต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้รอเวลานั้นเราก็ค่อยทําก็ได้ หรือถ้าคุยกับเขาเขาอาจจะเข้าใจเขาว่าได้วันพักก็ถือศีลแปดได้เขาอาจจะอยากจะถือเหมือนกับเราด้วยก็ได้คุยกันบานนี้เขาในใจบางอย่างนี่ไม่พูดกันก็จะไม่รู้ออพอคุยกันแล้วอาจจะตรงใจกันเออฉันก็อยากจะถือศีลแปดเหมือนกันเธอก็อยากจะถือศีลแปดก็ดีสิเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่กล้าพูดพูดแล้วเดี๋ยวเหมือนกับเหมือนกับว่าจะหาข้ออ้างมีพอบ พอ ไ, ได้มีโอกาสพูดก็เออดีมีใจตรงกันก็ดีเพราะว่าการหาคาสุขการกา ร, ร่วมหลับนอนก็ทํามานานพอแล้วถ้ามันวิเศษมันก็วิเศษไปนานแล้วอยากจะลองหาวิธีของพระพุทธเจ้าดูมัางก็ดีมีความปรารถนาก็เป็นสิ่งที่ดีข่้นต่อไปก็ต้องดำเนินการต้องหาวิธีดำเนินการแบบนิ่มนวลนะคือไม่ให้ไปแบบบัวชา้าน้าขุน อย่าให้คนที่เกี่ยวข้องกับเราเขาต้องมีความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะการกระทำของเราเป็นการกระทําที่ดีอย่าไปทําให้มันกลายเป็นการกระทําที่ไม่ดีต่อผู้อื่นถ้าเขายัางรับไม่ได้ก็ต้องรอไว้ก่อนคุณบุญท่งเมื่อกระผมจะทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งบางครั้งกระผมสามารถยับยั้งการกระทํานั้นได้แต่บางครั้งไม่สามารถยับยั้งการกระทํานั้นได้ ทำอย่างไรเราถึงจะมีความเกรงกลัวความละอายต่อบาปมากขึ้นครับคือบางอย่างเราชอบมากมันก็ยากอันไหนที่เราชอบน้อยมันก็ง่ายอยากมากมันก็ยากอยากน้อยมันก็ง่ายก็ต้องพยายามและเลึกถึงผลที่จะตามมาคือถ้าเราไปทําบาปด้วยการไปชอบโกงไปลักทรัพย์ก็เห็นข่าวาวในหนังสืออยู่ด้วยว่า จะต้องถูกเขาดำเนินคดีถ้าอยากไม่อยากจะถูกจับ ก, ก็ต้องหนีไปอยู่ที่ไกลๆอีอันนี้ก็ให้เห็นโทษของวนที่จะตามมาจากการกระทำบาปมันก็จะเกิดทีรีโอตปะขึ้นคุณมินสุดารัตหนูนั่งสมาธิได้ไม่นานก็อยากจะเปลี่ยนไปฟังธรรมะคะ่ะถ้ายัางไม่ค่อยชอบนั่งหลับตาเฉยๆจะฟังธรรมะไปก่อนได้ไหมคะ ได้อ่หรือถ้านั่งฟังธรรมไปเรื่อยๆยังไงก็จะไม่มีวันถึงความสงบที่แท้จริงค่ะขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยค่ะก็ต้องกำหนดเวลาของการนั่งกับการฟังธรรมว่ามันก็ทั้งสองทั้งสองอย่างก็ดีเพียงแต่ว่าการนั่งมันจะดีกว่าการฟังธรรมแต่ตอนเริ่มต้นถ้าเรานั่งไม่ได้เราก็ฟังธรรมไปก่อน พอฟังทาเสร็จแล้วเรานั่งต่อไปดูคุณอัตพลขายลอตเตอรี่ผิดศีลผิดธรรมไหมครับไม่เราทําไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมเป็นสินค้าชนิดหนึ่งไม่ได้ไปปนไปจี้เงินทองของคนซื้อมาเขาซื้อด้วยความสมัครใจเหมือนเขาไปซื้อกับข้าวกับปลาเขาซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนกันเขาก็ซื้อด้วยความยินดียินยอม คุณเอมิลี่ตอนถือศีลแปดหลังเที่ยงจะอมโบตันหรือยาอมสมุนไพรได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าเป็นยานี่ยังรับประทานได้เคาะปากได้อจากผู้ฟังหน้ากุฏิเวลาที่ไม่ง่วงจะนั่งสมาธิไม่ค่อยดีเท่ากับเวลาง่วงเจ้าขาพอง่ว ง, ง, วง แล้วนั่งมันจะปลุกเข้าไปแล้วก็จะนั่งต่อได้ไม่ง่วงนะเจ้าค่ะทําให้เวลามีสติครบถ้วนจะนั่งแล้วมีเวทนาเจ็บขาจนนานกว่าจะเข้าได้บ้างแต่บางครั้งก็ต้องยอมแพ้เจ้าค่ะจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ไม่รู้ความหมายจะให้แก้ไขยังไงคุณว่านั่งง่วงแล้วมันดีก็นั่งง่วงไปเลยก็ร้ันไห้จะให้แก้ไขยังไง แต่คนนื่งเขาไม่ดีด้วยว่ามันง่วงมันจะหลับบ้างมากกว่ามันมันไม่ได้เป็นสมาธิหรอกมันเป็นการเคิ้มหลับมากกว่าก็ต้องฝึกสติให้มากถ้าต้องการแก้ปัญหาปัญหาอยู่ที่การสติของเรายังไม่มีกำลังมากพอเราต้องพยายามฝึกสติให้มากๆทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็ลองคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดด้วยพุโทโธพุโทโธแล้วด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย พยายามทำให้มากอย่าปล่อยให้ใจลอยแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะเนื่งจะสงบได้ง่ายและจะผ่านทุกขเวทนาได้คุณจรควรจัดการกับความรู้สึกไม่ดีในใจได้อย่างไรเมื่อต้องพบเจอในสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือคนที่ไม่ชอบเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดของเราพอหยุดความคิดแล้วใจของเราก็จะสบาย คนเขาจะดีไม่ดีก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่เอาเข้ามาในใจของเราลรปัดมันออกไปด้วยพุโทโธพุโทโธคุณสาวลักษ์การบำเพ็ญงานในวดัดเช่นกวาดลานวาดัดล้างห้องน้ําเก็บขยะได้บุญมากกว่าการนั่งสมาธิหรือไม่เจ้าคะหรือได้บุญพอๆกันคะก็มันเป็นบุญคนละอย่างกันแต่มันก็สนับสนุนกันการทํางานวัดนี้มันก็จะ เสริมความเพียงไม่ให้เราขี้เกียจแล้วเรามีความเพียงเวลามานั่งสมาธิมันก็จะได้ผลดีกว่าการที่เราไม่ทำงานอะไรนอกจากว่าถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนก็ดีกว่าการไปทำงานอย่างอื่นแต่ถ้าเรายังทาไม่ได้เอาเวลาไปนอนมากกว่าหรือเอาเวลานอนมาทำงานทางทางวัดดีกว่าช่วยกวาดลานวัดช่วยทำความสะอาดอะไรต่าง เป็นการเสริมความเพียรในตัวเสริมสติด้วยถ้าเราทำด้วยสติคุณวอชอร์สกายแลบฟังเทศของพระอาจารย์ก็บ่อยแต่เวลาจะเอามาปฏิบัติจริงๆกลับแพ้ต่อกิเลสและนิวรณ์ทุกครั้งมีข้อแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างในการเอาชนะครับก็ต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือที่จะเอาชนะสติเอาข้อกิเลสก็คือสตินี่ พยายามฝึกสติมันบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้มากๆอย่าปล่อยให้ใจลอยต่อไปเวลาใจจะไปทำอะไรไม่ดีแล้วก็ใช้พุทโธหยุดมันได้เวลาจะทำอะไรความดีก็จะทำได้ง่ายขึ้นถ้ามีสติคอยกากับใจคุณจิรารัตน์การเขียนหนังสือการเขียนหนังสือประวัติของมารดาโดยอ้างอิงคำสอนของครูบาอาจารย์ รวมถึงเชิดชูคุณธรรมข้อเด่นของมารดาคือความอดทนถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความกตัญญูใหม่เจ้าคะก็เป็นการแสดงความกตัญญูได้เหมือนกันเพราะเป็นการประกาศเกียรติคุณของบิดามารดาของเราถ้าเป็นความจริงถ้าไม่ปรุงแต่งไม่ใส่สีเข้าไปใส่ไข่เข้าไปก็ให้คนเขารู้ว่าคุณงานความดีของอปุ่ บุปการีของเราเป็นอย่างไรบ้างคุ ณ, คณกุลาบถ้าใจเรามีศีลมีธรรมแล้วสามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีได้หรือไม่เจ้าคะก็ได้ศีลก็คือเนี่ยข้อห้ามต่างๆธรรมก็คือการปฏิบัติสมาธิและปัญญาถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ คุณกฤษณาบทสวดมุทิตาลัทธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตุจงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดโยมไม่เข้าใจเจ้าค่ะก็คือเรามีความหวังดีต่อผู้อื่นไงหวังว่ารับสมบัติเข้าของเงินทองที่เขาได้มาก็ให้อยู่กับเขาต่อไปไม่ใช่อิจฉาลิษยาเห็นเขารวยก็อยากจะสาปให้เขาจนอย่างนี้ก็ให้เขารวยต่อไป ความยินดีมูลิตากับความเจริญความสุขของเขาคุณธนเดชการเล่นเกมเป็นการผิดศีลแปดไหมเจ้าหม่ห ม, ม, มครับไม่ผิดนอศอีลแปดนี้ก็ห้ามไม่ให้ไม่ให้ไปหาหาความสุขจากการบันเทิงการเล่นเกมก็เป็นการบันเทิงอย่างนึ้การกีฬาอะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการบันเทิงด้วย เอาเวลามามาหาธรรมะกันดีกว่ามาฟังเทศฟังธรร ม, มานั่งสมาธิกันดีกว่าคุณอัชราจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีจิตไม่หวั่นไหวไม่หวาดสะดุง้งจิตร่าเริงด้วยดีจึงปรินิพานเฉพาะตนหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะใช่จิตดับแบบไม่มีกิเลสไหมคะก็เป็นการหลุดพ้นเฉพาะตัวเราไง เรปฏิบัติแล้วก็หลุดพ้นแต่เราไม่สามารถไปทําให้คนอื่นก็หลุดพ้นไปกับเราได้คนอื่นถ้าอยากจะหลุดพ้นก็ต้องปฏิบัติแบบเราเราทําได้ก็เพียงแต่สอนเขาบอกเขาเท่านั้นเองคุณวิไลเริ่มนั่งสมาธิควรจะเริ่มต้นอย่างไรเจ้าคะก็ฝึกสติก่อนไงฝึกสติก่อนจะมานั่ง ในชีวิตประจำวันนี้เราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ตืน่นตื่นขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยอย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนีเงงน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าจำเป็นยังต้องคิดอยู่ก็คิดได้แต่คิดพอประมาณคิดเท่าที่จาเป็นแล้วก็หยุดคิดพยายามหยุดคิดให้มากๆ แล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งได้เวลานั่งสมาธิก็ใช้สติที่เราใช้อยู่ตอนที่เราไม่ได้นั่งถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็เปลี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของลมแทนดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมกูกถ้าเราใช้พุโทโธเราก็ใช้พุโทโธต่อไปได้ถ้าเรามีสติสามารถอยู่กับพุโทโธได้อยู่กับลมหายใจได้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ คุณเอมิโซนช่วยอธิบายเกี่ยวกับมงคลที่29เรื่องการได้เห็นสมณะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสมณะทางศาสนาพูดก็หมายถึงได้เห็นพระอริยบุคคลนั่นเองได้พบกับพระโสดาบันพระสกิฎาคานีพระนาธามีพระหัานเพราะว่าเมื่อได้พบกันก็จะได้สนทนาได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านเราก็จะได้ธรรมะที่แท้จริงอริยนี้ท่าน มีธรรมแท้ไม่ใช่ธรรมปลอมถ้าเป็นพระปุตุชนนี่ยังเป็นธรรมปลอมอยู่เพราะเป็นธรรมที่เกิดจากการอ่านได้ยินได้ฟังมาซึ่งอาจจะมาแปลความไม่ตรงกับความเป็นจริงได้แต่พระอริยนี่ท่านได้เจอธรรมแท้จากการปฏิบัติที่สัมผัสได้ด้วยใจของท่านเกิดขึ้นในใจของท่านท่านก็จะเอาธรรมแท้มามาสอนเรามาบอกนรา ก็เหมือนกับเราไปซื้อทองจากร้านทองเก้แล้ทองแท้เราไปซื้อที่ร้านทองเกก็ได้ทองเก้มาถ้าไปซื้อจากร้านที่มีทองแท้ก็จะได้ทองแท้มาพระระยะบุคคลคือสมณะในพุทธศาสนาที่มีทำแท้แต่ความแท้ของแต่ละขั้นก็ยังไม่ร้อยซนตขั้นที่หนึ่งก็ยังไม่ร้อยปอร์ซต้องถึงขั้นที่4ี่ถึงได้ทองคำร้อยเปรเซ็นตร้อยเ แต่ก็ถือว่าดีกว่าดีกว่าไม่ได้ทําแท้เลยพระโสดาบันก็มีทําแท้ในส่วนที่ท่านสอนได้ท่านก็สอนดังนั้นไปคุณทิติชยานการกําจัดกิเลสเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคือการทานอาหารเท่าที่มีไม่ได้หมายถึงทานอาหารที่อยากทานใช่ไหมเจ้าคะ่ะอันนั้นก็ใช่ พยายามรับประทานอาหารแบบรับประทานยาอย่าให้เกิดความยินดีกับในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารเพราะนั่นจะเป็นกามฉันทะการมัจหารับประทานเหมือนรับประทานยาเวลาเรารับประทานยานี้เราไม่มีความอยากรับประทานเลยแต่เราต้องรับประทานเพราะรู้ว่ามันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นแต่ใดการรับประทานอาหารก็ให้รับประทานแบบนั้นฉั้นพยายาม ตอนที่เราฝึกก็ควรพยายามฝืนอย่าไปรับประทานของที่เราชอบพยายามไปรับประทานของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เราไม่ชอบเช่นมะระ น, นี่ของขมต่างๆเนี่ยผักขมผักอะไรของที่มีคุณประโยชน์กับร่างกายก็กินแบบกินยาไปมีเรื่องเจ้าคุณนอนี่ท่านท่านเคยได้ยินเจ้าคุณนอร์ไหท่านท่านกินอาหารนี่ท่านเอาข้าวกับถั่วกับผักอะไรเนี้ย มาตา ม, มาบดให้เป็นเหมือนกับเป็นอาหารอันเดียวกันแล้วปั้นเป็นก้อนๆเวลาท่านรับประทานก็เหมือนรับประทานยาเอาเข้าปากแล้วก็กลืนเข้าไปคุณประยงการให้อภัยกับคนที่พูดไม่ดีทาไม่ดีกับเราแต่ไม่อยากเห็นไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยถือว่าเป็นกิเลสไหมเจ้าคะ ถ้ายังต้องเกี่ยวข้องด้วยแล้วไม่อยากมันก็เป็นกิเลสเพราะมันจะทําให้เราทุกใจแต่ถ้าไม่อยากเพราะพระรู้ว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นมันเป็นภัยกับจิตใจของเราอันนี้ก็เป็นปัญญาเราเห็นไฟเราก็ต้องอยากเข้าใกล้แต่ถ้าเราทําหน้าที่มีางานงานการการที่ต้องอยู่ใกล้ไฟเราไปลังเกียจไฟเราก็จะทุกข์ขึ้นมาดัา่นั้นเปพ่อครัวแม่ครัวก็ต้องอยู่ใกล้ไฟ แต่ก็ต้องอยู่ใกล้ไฟแบบมีปัญญาต้องระมัดระวังอย่าไปทําให้ไฟมันมาเผาเราได้ถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเราก็เราทำใจทําใจเฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องเราคอยรักษาตัวเราอย่าให้ไปอย่าให้เขามาทําให้เราวุ่นวายใจก็แล้วกัน คุณนัทพลที่ว่าพระอาหารหันด้วยการเท่านั้นถึงจะรู้ว่าท่านใดบรรลุแล้วที่ว่ารู้คือไม่จําเป็นต้องเจอหน้ากันก็รู้ใช่ไหมครับรู้ด้วยจิตถึงกันแบบนี้ด้วยใช่ไหมครั บ, รบก็แล้วแต่ว่าท่านมีมีพลังจิตที่จะดูจิตของแต่ละคนได้หรือเปล่าอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านแสดงธรรมเสร็จท่านบอกอัญญาณโกณทัญญะเธอรู้แล้วเนาะพระพุทธเจ้าสามารถดูจิตของพระอัญญาณโกณทัญญะได้ แล้วเวลาแสดงธรรมเสร็จพระพระปัญ จ, จวคีทั้ง5บรรลุเป็นพระหลานท่านก็รู้ขึ้นมาท่านสามารถอ่านจิตของผู้อื่นได้รู้ว่าจิตของท่านเหล่า น, นี้ไม่มีกิเลสอย่างนีน้แต่ถ้าไม่มีไม่มีอคติยาไม่สามารถอ่านจิตใจของได้ของแต่ละท่านได้ก็ต้องอาศัยคุยกันสนทนาธรรมกันเหมือนกับเรานักศึกษาเราจบปริญญาเราก็คุยกับคนที่จบปริญญาได้ ว่าเขาจบแบบเราหรือเปล่าว่าเขาจบจริงหรือเปล่าเขาผ่านหลักสูตรนี้ได้ยังไงเขาเข้าใจหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการสนทนากันแต่ถ้ามองกันหน้าตาเฉยๆนี่บางทีดูไม่ออกคุณวริ t ฐาอยากให้คนรอบข้างเข้าถึงธรรมะได้มากขึ้นจะต้องเริ่มอย่างไรเจ้าคะเริ่มที่ตัวเราก่อน ให้เรามีธรรมะให้มากขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะดูดเขาเข้ามาเองเราอย่าไปพยายามกว้านเขาเข้ามาต้อนเขาเข้ามาอันนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกวิธีที่ถูกก็คือสร้างธรรมะขึ้นในตัวเราก่อนแเราธรรมะในตัวของเราจะดูดเขาเข้ามาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ า, จาไปตัดทะลุในป่าก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาปลดญาติพี่น้องในวังพอปลดปั๊บเขาเห็นบาลมีเห็น เห็นเห็นความความสุขของท่านเขาก็อยากจะมีเหมือนท่านเขาก็ติดตามขอบวญกันเยอะแยะไปหมดยันทำที่ตัวเราก่อนอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นมันจะเป็นกิเลสไปความอยากคนอื่นเขาหาทำก็เป็นกิเลสได้ถ้าทำแบบเลยเถอดทำเลยแบบไม่มีเหตุมีผลฉันเครื่องต้นทำตัวเราให้เข้าถึงธรรมให้ได้ก่อนเมื่อเรามีธรรมแล้วมันจะ ลักษณีของธรรมมันจะแผ่ออกไปคนเห็นแล้วก็จะอดที่จะมีความเลื่อมใสไม่ได้และยิ่งได้ยินได้ฟังยิ่งกิดความศรัท ธ, ธาเพิ่มมากขึ้นครูจอสผมได้ถือศีลห้าและบางครั้งศีลแปดอย่างเคร่งครัดเมื่อเดือนที่แล้ว พผมได้นำแมวไปรักษาเนื่องจากแมวมีอาการตกเลือดหมอแนะนำว่าต้องรีบผ่าตัดด่วนเพื่อรักษาชีวิตแม่แมวและลูกผมจึงอนุญาตให้หมอผ่าตัดต่อมาแม่แมวตายทำให้ลูกแมวต้องกําพร้าแม่ผมจะผิดศีลไหมครับและแมวจะเข้าใจเจตนาของผมไหมครับว่าผมปรารถนาดีต่อเขาเขาจะเข้าใจเขาไม่รู้เรื่องแมวเพราะเขาไม่มีภาษีภาษาที่จะเข้าใจว่าเรากาลังทาอะไร แต่เราไม่มีเจตนาก็ไม่บาปเรามีความเมตตาหมอก็ไม่บาปหมอที่ทำรักษาแล้วทำให้แมวตายเพราะว่าไม่มีเจตนาจะทำให้เขาตายมีเจตนาที่จะช่วยเขาให้เขาหายคุณวีระพง์ระหว่างคนที่บุญวาสนาบารมีขอโทษค่ะ ระหว่างคนที่มีบุญวัสนาบา ร, รมีกับคนธรรมดาทั่วไปการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมมีความยากเสมอกันไหมครับคนที่มีวัสนาบา ร, รมีมาก่อนก็จะง่ายกว่าคนที่ไม่มีเลยเหมือนคนที่เรียนจบม .6 แล้วก็ไปต่อมหาลัยได้เลยแต่คนที่ยังไม่เรียนยังไม่เข้าโรงเรียนเลยก็ต้องไปเริ่มต้นที่อนุบาลก่อนมันก็มีภางมีต่างกัน คุณมาคัสสีพี่สาวชอบซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆโดยอ้างว่ากระจายรายได้ให้ชาวบ้านอย่างนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมเจ้าคะถ้าไม่กระจายเสื้อผ้าไปให้เขาด้วยลนยะเอาเสื้อผ้าที่เรามีให้คนที่ก็ไม่มีมมทุกทรั้งที่ซื้อชุดใหม่ก็เอาชุดเก่าไปจากคนอื่นเลย อ, อย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่คุณจิรารัตน ก้าวแรกของการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนน้อมรับฟังคําสอนของครูบาอาจารย์เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะใช่ต้องเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดึงไม่ดึ ง, ดงน้อมรับคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์มาด้วยความเคารพและพยายามปฏิบัติให้เต็มที่ตามกําหลังของตนไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอ น, นแล้วก็เถียงกับเอออย่างงน้นอย่างนี้อ้างนู่นอ้างนี่ กาอย่างนี้ก็เหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเนเทน้ำใส่หลังหมามันก็สลัดทิ้งหมดเนี่ยครบาอาจารย์สอนอะไรก็สลัดทิ้งหมดโตเถียงไม่เห็นด้วยก็อย่างนี้ก็สอนไม่ได้คุณสวราค์ การที่เราเข้าพิธีแก้กรรมโดยถือขันผ่านดอกไม้และสวดมนต์และอาบน้ำมนต์จะช่วยแก้กรรมได้เร็วหรือไม่คะอันนี้เป็นศีรีภาพจากปรามาสการกระทำที่ไม่ไม่ถูกต้องวิธีแก้กรรมก็คืออย่าไปทำกรรมกรรมเก่าทำไปแล้วแก้ไม่ได้ต้องรอรับผลของกรรมนั้นแต่เราแก้กรรมใหม่ได้ด้วยการไม่ทำกรรมใหม่คุณนิชา เรายกบุญกุศลที่เราทาทุกทุกครั้งให้กับบิดามารดาของเราท่านจะได้รับบุญกุศลไหมเจ้าคะไม่ได้หรอบุญของใครของมันต้องทากันเองนอกจากบุญอุทิศเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสำหรับคนที่ล่วงรับไปแล้วหมดแล้วเหร อ, อ, อดีเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพพจารณาไปปฏิบัต